นะต่อครั้งที่แล้วเลยนะอะ่มาขึ้นสัญญาสูตรหน้าสามร้อยห้าสิบหกนะกรุงสาวัตีเนี่ยนะดูการพิสูจนทั้งหลายอันนี้จะสัญญาที่พิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ครอบงำรูปปราคะทั้งปวงได้ครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้จะถอนอสมิมาณะทั้งปวงขึ้นได้โอ้อันนี้จะสัญญานี้มีคุณมากเหลือเกินเยนะถอนบาปถอนอกุศลถอ น, อ, นอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะโดยเฉพาะถอนทั้งรูปปราคะภวะราคะเนี่ยนะ รู ป, ปราคะนี้โดยสับบางแห่งก็หมายถึงราคะที่ยินดีในรูปประชานส่วนภวะราคะก็คือยินดีในในพบทั้งหลายอันผู้ที่เจริญอันนี้จะสัญญาเนี่ยจะครอบงํารู ป, ปราคาระภาวะราคาสับว่ารู ป, ปราคะกับภวะราคะนั้นอมความถึงทิฏฐิด้วยนะก็ละได้ทั้งตันหา ละทิฏฐิละอวิชาละมานะได้หมดเลยถ้าเจริญอ น, นิจจสัญญาว่างั้น <c oughs> คำว่าอ น, นิจจสัญญานี้แปลว่าอะไรอืะสัญญาว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่เที่ยงในในที่นี้เนี่ยจะบอกวิธีเจริญตอนท้ายว่าอ น, นิจจสัญญานั้นเจริญยังไงเนี่นยนะซึ่งไม่ใช่ว่า อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงคิดแบบไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ใชอนะ่อันนี้จัดสัญญาที่จะกล่าวไปนั้น เ, เป็นอันนี้จัสัญญาแบบขันธบั พ, พะเล ย, ยนะซึ่งนับว่าเป็นธรรมะชั้นสูงมาก <c oughs> ดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายในสารทาสมัยชาวนาเมื่อจะใช้ไถใหญ่ไถนาก็จะไถดะรากไม้ที่แตกยื่นออกไปทั้งหมดเสียแม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายอันนีจะสัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วจะครอบงำการมราคะรูปปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัศมิทั้งปวงได้หมดนะอุปมาเหมือนกับการไถนานะอนนี้จะสัญญาเจริญมากก็ละบาปละอกุศล อตกถธาทธี่บายดีว่าอนิจจสัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนไถใหญ่กิเลสทั้งหลายเปรียบเหมือนรากไม้ที่แตกออกไปทั้งเล็กทั้งใหญ่พระโยคีผู้เจริญอนิจจสัญญาทําลายกิเลสได้ด้วยยานอันเกิดจากอนิจจสัญญาเปรียบเหมือนชาวนาไถนาเนี่ยนะทำลายรากไม้เหล่านั้นได้ด้วยไถใครที่เคยไถนาเนี่ยจะรู้ชัดคือในในข้างล่างดินเน่ยนะมันจะมีรากรากไม้รากหญ้ารากอะไรเยอะ ทีนี้ถ้าใช้ไถ่ใหญ่ๆเนี่ไยไถไปเนี่ยนะมันจะตัดรากออกหมดเลยเนี่ยนะระหว่างการไถเนี่ยนี่ก็เหมือนกันถ้าอันนีจะสัญญาถ้าเจริญมากก็ไถกิเลสออกไปเยอะเช่นไถกามราคะรู ป, ปราคะภวะราคะอวิชชาเนี่ย น, นะละบาปละกุศลละอัมิมาณละบาปละกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเจริญอันิีจะสัญญาตอนนี้ชื่นชมอั น, นิสง์ก่อนนะยังไม่ได้บอกวิธี วิธีใช้นะถ้าเป็นสินค้าก็บอกสรรพคุณว่ามีดียังไงเนี่ยนะมีได้ประโยชน์ยังไงยังไม่ได้บอกว่าเอาไปใช้งานยังไงเนี่ยนะดูกอนพิสูจนทั้งหลายคนเกี่ยวหญ้ามงกะตายเกี่ยวหญ้ามงกระตายแล้ว จะได้จะฟาดจะสลัดทิ้งแม้ฉันใดดูก่อนภิสูจทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงมการมราคารูปราราคาระภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัศมิมาณนะทั้งหมดได้ย่ามงกตานี้ของมาไม่รู้จักรู้จักแต่ย่าคาถ้าคนเกี่ยวย่าคาเนี่ยนะ พอเขาเกี่ยวเขาเกี่ย ว, เ ข, เ, ยวเขาเกี่ยวได้เหมือนก็เหมือนก็จับกองฟางเนี่ยนะจับฟางเนะสร็จแล้วเขาก็จะไปฟาดกับไม้เป็นซี่ๆเขาจะมีไม้เป็นซี่ๆแล้วก็จะได้เอาไอ้พวกหญ้าเสียๆผุๆเนี่ยเอาออกไปนะเขาก็ฟาดดึงฟาดดึงฟาดดึ ง, ดดงเขาชําระให้มันให้มันสวยนะแต่หญ้ามงกระตานี่ก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยประโยชน์น่าจะเอามามุงหลังคาอย่างหนึ่ง แต่ทางอินเดียนี่มีหญ้ากลมหญ้าที่เอามาม้วนม้วนพันพันกันแล้วเอามาทําเป็นเตียงอ่ะนะที่มาทําเป็นเตียงแบบตะข่ายอ่ะนะใครนั่งไปนั่งทานไออะไรนะน้ำชาเขาเรียกอะไรนะอินเดียแางเกสดาเรียกอะไรน้ําชาเขากะลัาใจอ่ะกะลัมใจะกะลําจากะลําใจกันนั่นนะ <c oughs> นั่นนะจากระลำใจกระลาเออใจกรนะลำ ก็นั่งกนั่งร้อนๆคางๆกันแหละเขามีเตียง เ, เตียงสารเนี่ยทักด้วยพวกตระกูลญานี่แหละใช้ตัวใ ห, ใหญ่ๆหน่อยก็นั่งก็ดูๆหน่อยหนึ่ ง, งตกพรวดลงไปอยู่ข้างล่างเลยนะจำเลยอะ่ะก็อนุรักษ์นิยมได้ดีมากเมื่อสมัยพันเป็นสองพันปีที่แล้วนะก็ใช้เตียงสารอยู่ดีสมัยวัยก็ยังใช้เตียงสารอยู่ดี เพราะฉะนั้นก็ไอ้เตียงเตียงสามนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากนะักดูการภิกษุทั้งหลายเมื่อมะม่วงขาดตรงขั้วมะม่วงทั้งหลายที่ติดอยู่กับขั้วก็จะหลุดออกไปตามขั้วนั้นแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็ฉะนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุจเจริญแล้วทําให้มากแล้ว จะครอบงามกามาราค่ารูปปาราค่าภวะราค่าและอวิชาทุกอย่างจะทอนอัศมิมานะได้ทั้งหมดเนี่แหละเหมือนกับมะม่วงอ่ะนะมะม่วงเป็นพวงพวงอ่ะนะมะม่วงพวงอ่ะถ้าตัดขั้วซะอย่างเดียวเนี่ยหลุดหมดเลยใช่ไหยมะ ม, ม่วงบางบางบางพวงมันมีตั้งหลายลูกอ่ะ น, นะถ้าตัดขั้วอย่างเดียวเนี่ยร่วงหมดแหละนี่แหละอันนี้จะสัญญาก็เหมือนกันถ้าเจริญให้มากแล้วนี่ก็ การมาราคารูปปาราคาภวะราคาอาวิชาอัสมิมานะเนี่ยละในหมดอะดูการพิสูุทั้งหลายกรอนเรือนของเรือนยอดทั้งหมดชี้ตรงไปที่ยอดชอนไปที่ยอดไปรวมกันที่ยอดชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ากรอนเรือนเหล่านั้นชันใดพิสูุทั้งหลายอั น, นิีจะสัญญาก็ฉับเช่นนั้นเหมือนกันแลที่พิสุจเจริญแล้วทําให้มากแล้ว จะครอบงามการมาราคา่ารูปปราคา่ภะวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะ้อนอสุมิมานะทั้งหมดเนีย่ยน ะ, ะพวกเรือนกลุ่มเรือนที่มันมันมียอดลกลางที่เดียวนะมันก็จะวางไอ้กรอนเรือนเนี่ยนะไอ้กรอนก็คือที่เขามงกระเบื้องนะก็จะวางไปหายอดเหมือนกันหมดเลย ดูความพิสูจน์ทั้งหลายกลิ่นกะลัมพักชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ากลิ่นที่เกิดจากรากทั้งหลายแม้ฉันใดพิสูจทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่พิสูุเจริญแล้วทําให้มากแล้วจะครอบงามการมาราคา่ารูปปราคา่าภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างแกถอนอัศมิมาณนะทั้งหมดขึ้นอันนี้ชื่นชมนะว่าชมในลักษณะเหมือนกับกลิ่นหอมเนี่ยนะยอดของกลิ่น ท, ท, ที่ที่เกิดจากรา ก, ก น, นะ กะเล่นกระหล่ำพักมาก็รู <g <g ้แต่ชื่อแต่ว่ากลิล่นไม่รู้จักเป็นยังไงผู้การรู้จักไหมกระเล่นกะหล่ำพักนี่ไม่รู้จักนะกรล่กหล่ำักระลพักระหล่ำพักห่กร่ักระหล่ำกะหล่ห่ำพักราหล่ำพกระ่ักหล่ำะ่าพห่ระักล่่ำพักร่หะ่กัหรัะรัั่ กลิ่นที่เป็นเอามาทำของหอมเนี่กลุ่มมาบดไว้ทําของหอมดูก่อนพิสูุทั้งหลายจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศดความไม้ที่มีกลิ่นที่แก่นทั้งหลายแม่ฉันใดพิสูจทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่พิสูุเจริญแล้วทําให้มากแล้วจะครอบงามกา ม, มาราฆารูปปราฆาภวะราฆาและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอสมุมิมานะทั้งหมดขึ้น จันแดงนี่ก็นับว่ามีค่ามากนะถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีนี่โบราณไม่มีโอกาสใช้อ น, นเป็นเศรษฐีโบราณ น, นะจะจะมีโอกาสใช้รูปแก่นจันแดงอ่ะก็คือแป้งชั้นดีของสมัยก่อนอตัวจันแดงนี่บางแห่งก็บอกว่ามีแก่นเนี่ยแค่แค่ศอกเดียวหรือคืบเดียวเนี่ยราคาตั้งแสนก็งั้ น, นไม่รู้จันแดงกลุ่มไหนไม่ทราบแล้วถ้าเอามาฝนฝนฝนฝ น, ฝ น, ฝนเนี่ยเอาไป ไปไปแช่น้ำนั่นนะเอาน้ำที่ที่กรองนั้นามาหยอดตาได้อาจารย์แดงอันนี้นะคงไม่ใช่กลุ่มจันรแดงที่เป็นยาเย็นยาสมุนไพรนะแก้ร้อนในไม่ใช่ยากลุ่มนั้นนะคนละกลุ่มกันนั่นนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายดอกมละลิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าดอกไม้ที่มีกลิ่นที่ดอกทั้งหลายแม้ฉันใดพิสูจทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแล ที่พิสูจเจริญแล้วทําให้มากแล้วจะครอบงำกามาราฆารูปปราฆาภวะราฆาและอวิชชาทุกอย่างจะทอนอัศมิมาณนะทั้งทั้งมวลได้เี่ย น, นะยกย่องถึงดอกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะมะลินี่เป็นเลิศนะแต่ตอนนี้ไม่ทราบ ว, ว่ามีกลิ่นอื่นมาแข่งกลิ่นดอกมะลิไปแล้วมั้งเนาะมีไหมครับอาจารยังมีไห้กลิ่นที่มันแรงแรงฉุนฉุนกว่าดอกมะลิเนี่ยมีไหมดอกดอกอะไรเนะี่ มีหลายดอกแล้วนะที่มีกลิ่นรุนแรงว่าดอกมะลิแต่ก็ไม่ชื่นใจแบบดอกมะลิอ่ะั้นสมัยก่อนเขาเคยนิยมตั้งชื่อคนว่าสุมาาสุมนาสุมนาแปลว่าดอกมะลินะดอกมะลิเช่นสุมาาเนี่ยนะสุมนานี่หมายถึงดอกมะลินะอันนสุมาาดอกมะลิ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายพระเจ้าประเทศสราชทั้งหมดย่อมเสด็จตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าพระเจ้าประเทศสราชเหล่านั้นแม้ฉันใดดูก่อนพิสูุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่พิสูจเจริญแล้วทําให้มากแล้วจะครอบงามกา ม, มาราค่ารูปปราค่าภวะราค่าและอวิชานุสัยจะทอนอัสมิมาณะทั้งมวลได้พระเจ้าจักรพรรดิเนี่อถือว่าเป็นเลิศใช่ไหม พระราชาทั่วไปนี่จะเป็นบริวารติดสอยห้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิเดี๋ยนะถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบนะพระราชาพระเจ้าประเทศสราชก็เหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นแหละนะถ้าเป็นโบราณเลยนะเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็เท่ากับจังหวัดจังหวัดจังหวัดนั่นแหละตอนก็เจ้าเมืองเขาก็เรียกว่าเจ้าเมืองอ่ะนะก็พระราชานั่นแหละก็คือสมัยใหม่ก็คือผู้ว่าก็ใครเป็นใหญ่ของผู้ว่าผู้ว่าต้องโอนตามใครก็นั่นแหละ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแสงสว่างของดวงดาวทุกดวงไม่เข้าถึงเสี่ยวที่สิบแห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิอกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นแม่ฉันใดดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิสษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกา ม, มาราคะโรคป ร, ราคาระภวาราคะและอวิชานุสัยทุกอย่างจะถอนอัศมิมาณะทั้งมวลได้อันไหน คือดาวดวงอื่นๆนี่ถ้าพูดแบบดาราศาสตร์นะเขาบอกว่ามันสว่างกว่าดวงจันท์เยอะแยะไปหมดแหละแต่ทําไมในสูตรนี้จึงยกย่องว่าดวงจันทร์มันสว่างมากสว่างไม่สว่างเอาเอาดาวที่มันส่องโลกไม่ได้สว่างที่ตัวมันเองเน้นเอาดวงดาวที่ส่องโลกอนะดาวดวงไหนส่องให้โลกสว่างก็ชมดาวดวงนั้นอนะเพราะฉะนั้นดาวดวงอื่นเนี่ยโดยตัวของมันเองจะสว่างขนาดไหนก็ไม่ได้ส่องให้โลกสว่างขึ้นอะไรเนี่ยนะ ก็ลองลองดูว่าคืนเดือนที่ไม่มีดวงจันทร์นะน่ะก็มีดาวเต็มฟ้าไปหมดอะแต่ก็ไม่ได้สว่างอะไรเท่าไหร่ท่านดวงจันทร์นี่ถือว่าเป็นอยอดของดวงดาวที่ให้แสงสว่างนันะดูความพิสูจนทั้งหลายในสารทาตุสมัยเมื่อท้องฟ้าบริสุทธิ์แจ่มจันทร์ปราศจากเมฆหมอกพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสู่ท้องฟ้าจะส่องแสงเนี่ยแผดแสงผ่านอากาศ ผ่านความมืดทั้งหมดแล้วเจอจ้าอยู่แม้ชันใดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงมการ ม, มารา่ารูปปาราฆาภวะราคาและอวิชชาทุกอย่างจะ้อนอัศมิมาณะทั้งมวลได้อันนี้เป็นคํายกย่องอันนี้จะสัญญาเนี่ยนะนับตั้งแต่ข้อแรกก่อนนะเหมือนชาวนาผู้ไถนาใช่หสองเหมือนคนเกี่ยวหญา้ามงกตาเนี่ยนะ อย่างที่สามก็เหมือนกับมะม่วงขาดขั่วหรือมะม่วงขั่วขาดเหมอ น, นอย่างที่ต่อไปก็เหมือนกับกลอนของเรือนยอดเหมือนกลิ่นกระลำพักเหมือนจันแดงเหมือนดอกมะลิเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิเหมือนดวงจันเหมือนดวงอาทิตย์นี่นะมันก็สรรหาคําอุปมาที่มันเป็นสุดยอดของสิ่งนั้นๆเนี่ยมาอุปมา ทีนี้ต่อไปมาดูวิธีเจริญว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาที่พิสุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงจะครอบงําการ ม, มาราคะทั้งหมดได้นะจะครอบงํารูปาราคาระภาวะราคะและอวิชชาทุกอย่างแก t h o นอสมิมานะทั้งมวลได้นะลองนึกดูว่าเจริญยังไงลอนะลอ ง, ลองใครฟังธรรมะมาเยอะแล้วนะดูว่าเขาจะจะคิดว่าจะเจริญยังไง นั่งท่องไว้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้หรือเปล่าจังกี้สอนยังไม่เป็นนะคุณคุณนายดีคุณปิดาจะเจริญยังไงเนี่ยอันนี้จะสัญญาเนี่ยว่านั่งท่องเราไม่เที่ยงไม่เที่ยงเรไม่ใช่แล้วเอาไงกันเนี่ยผการธนัตว่าไง อมกามมาวจรภูมิมาไวมากคือจะไงไงก็เหมือนในประศิลป์เลยจ้ะไม่ใช่มีตำราคนละเล่มคนละเล่มนี่แหละนะนักตาความก็จะเป็นประโยชน์มากนะนะลองดูคือผมเดาเนะคือก็ก็สงสัยเหมือนกันครับก็คำนี้คำสั้นๆนี่นะฮะแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าเออง่ายเข้าใจนะคำว่า อ า, อานิจจสัญญาเนี่ยจเจริญยังไงเนี่ยผมก็คงคิดว่าคงหนีไม่พ้นในเรื่องที่นํามาทําปริญญาไม่หนีไม่พ้นอคือนําเอาอานิจจังเนี่ยมาทําปริญญาไม่ใช่ม า, าทราบป่ะถูกปะ<ไ>่ะเพราะยังไม่ได้อ่านเลยไปออืก็มาฟังสู่ดูนะฟังแล้วก็แล้วก็มาวิเคราะห์กันดูว่าทําไมจึงเป็นอานิจจสัญญาอ่านะเหมือนกายานุปัสสนาเออเหมือนขันธบัพะพเปะทุกพยัญชนะหมดเลยว่าอย่างนี้รูป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 ดูความพิสูจน์ทั้งหลายอณิจจสัญญาที่พิสูจเจริญแล้วอย่างนี้แลทําให้มากอย่างนี้จะครอบงําการมราคะรูปมรรคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัศมิมาณนะ์ทั้งหมดขึ้นได้เหนะหเข้าใจแล้วนะว่าเอ๊ะเจริญยังไงนะนี่คืออ่อ น, นิจจสัญญาไม่ใช่ว่าใบนั่งบนท่องบนอนะั้ท่องกับบนมันคล้ายๆกันนะั่นแหละไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไมไม่เนะ เหมือนกับเมื่อวานทุกประการเลยเนี่ยนะไอการเจริญอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่ามีการเน้นพิเศษที่แตกต่างกันน่นมะมีมีตำแหน่งที่กล่าวแตกต่างกันจากเมื่อวานอยู่บ้างคือการตามใครควรวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะมีอยู่สองตำแหน่งด้วยกันถ้ากล่าวตามวิปัสสนา ในชั้นต้นนั้นการเจริญหรือการพิจารณาเนี่ยนะต้องยกให้ให้มีความเข้าใจว่าขันห้าก่อนใช่อะไรคือขันห้าเอาเอาก่าวตามถวาวรที่คุ้นเคยกันนะจากสุกับรูปกับสีเนี่ยนะเป็นอะไรขันเป็นรูปประขันเนีย่ยนะอาศัยจากสุกับรูปเกิดจากขูวิญญาเนี่ยนะจากขูวิญญาอันนี้เป็นวิญญาณขัน ธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นพัสสะพัสสะนี้เป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นปัจจัยแก่สัญญาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยนะก็ครบห้าขันนะใช่จากโสกับรูปเป็นรูปประคันอวิญญาณเป็นวิญญาณนักขันเนี่ยนะพัสสะกับ สังขารเนี่ยนะเป็นสังขารขันส่วน ส, สัญญาเป็นสัญญาขันเวทนาเป็นเวทนาขัน <c oughs> นี่เมื่อเป็นขันห่าวอย่างนี้รูปนะถ้าถวานตานะอย่างนี้รูป อย่างนี้เวทนาเนี่ย น, นะเวทนานี้ อ, อะไรเป็นเครื่องวัดอารมณ์นะอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาเช่นสัญญาเนี่ยสังเกตจากถ้าถ้าชัฏวานตาเนี่ยจะชัดเลยใช่ไหมสีขาวสีเขียวสีเหลืองที่ที่ปราลบนี่ยนะนั่นแหะสัญญานี้สังขารเจตนาที่มีในสีนะคือเห็นสีแล้วคิดยังไงอะความจงใจอันนั้นแนหะเรียกว่า สังขารการรับรู้อารมณ์เนี่ยเป็นวิญญาณเนี่ยนะอย่างนี้ขันห้าก่อนอันนี้ขันห้าน ะ, ะธรรมะอย่างนี้คูณทวานหกนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคูณทวานหเลยว่าทวานที่เหลือก็แนวเดียวกันหมดเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปอีกอน่ะอ่ะ แล้วก็ย้อนมาหาปัจจัยพวกนี้ก่อนด้วยอย่างนี้ความเกิดขึ้นของของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเมื่อวานกล่าวว่าถ้ารูปจะเกิดเกิดโดยการเท่าไร่การห้านะหนึ่งเพราะอาวิชชาเกิดรูปจึงเกิดคำว่ารูปนี้รวมทั้งตากับสีด้วยนะ สีก็อย่าลืมว่าสีที่มันคล้องมากก็สีไหนสีเสากับสีผิวหนังของเราไหนติดคล้องกว่าก็สีอันนั้นแนหะเนะพราะวิชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดและอาหารตัวจักสูเองก็ต้องอาศัยอาหารนะตัวสีคือรูปารมเองก็ต้องอาศัยอาหารพรานอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ รูปอันนี้ที่เห็นเห็นกันเลยนะคาว่าถ้าใช้คำว่าอาหารนะจิตอุตุก็เท่ากับแสดงแล้วส่วนกรรมอะอวิชากับตันหากรรมนี่ก็กล่าวไปแล้วใช่ไหม น, นั้นคือกรรมมสมุตฐานก็เท่าเขาพูดกรรมกรรมที่มันให้ผลเพราะอะไรอวิชากับตันหานี่เหมือนกันนะ กรรมให้ผลเพราะอวิชากับตันหาก็รู้ปัจจัยของขันหะความเกิดขึ้นของรูปนะของรูปก่อนว่ารูปนี้เกิดเพราะอย่างนี้นะเพราะอวิชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดก็ตัวรูปนั่นแหละที่มันเกิดด้วยเรียกว่านิพพติลักษณะนั่ยทีนี้มันเกิดแต่มันเกิดยังไง อย่างจักขคู่มันก็ค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตมาตามตามอะไรมันก็ค่อยๆเติบโตมาตามวัยใช่ไหมสีทั้งหลายก็ค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตมาตามวัยถ้าพูดให้เต็มก็นู่นอ่ะมันค่อยๆเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรว่าจักรสูตรเนี่ยเติบโตมายังไงสีทั้งหลายเนี United ่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมายังไงเครียกว่ามองในแง่สร้างอ่านะตัว min, น네ิพพติลักษณะคือมองในแง่สร้าง <py manera> วิปริณามลักษณะมองในแง่ตรงข้ามกับสร้างอะไรเสื่อมใช่ไหมมองในแง่เสื่อมอันนี้มองในแง่สร้างว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากรรมมาสรูปมันเกิดทุกๆอนุขณะจิตมันสร้างขึ้นทุกๆอนุขณะจิตอยู่ตลอดแต่ตัวที่สร้างคือปัจจัยอวิชชาตันหากรรมอาหารจิตและอุตุเป็นเป็นตัวปัจจัยทําให้พวกนี้เกิดขึ้นมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตมาอย่างนี้ ทีนี้ถ้าเวทนาล่ะเวทนาเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาเหมือนกันเกิดนะเพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตันหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิด er, และภาษะเกิดเวทนาจึงเกิดนะสัญญาสังขารก็เหมือนกันนะเพราะอาวิชชาเพราะตันหาเพราะกรรมภาษะเป็นปัจจัยจึงมีสัญญาและสังขาร และตัวเกิดขึ้นเองของเวทนาสัญญาสังขารตัวของมันก็เกิดขึ้นโดยโดยลำดับใช่ไหมถ้าได้ปัจจัยประจวบเหมาะเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารก็เกิด เ, เครื่องวัดพวกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยตรงนี้พระองค์ใช้คำว่าผัสสะใช่หมเมื่อใช้คำว่าผัสสะนี้ผัสสะความคงที่มีอยู่ไหม ไม่มีความคงที่เลยหนึ่งทวารทวานนี้มีตั้งหทวานน่นนะไม่ใช่มีทวานเดียวเพราะฉะนั้นนี่ภาษาก็ถือว่าเปลี่ยนไปตามนั้นแหละเมื่อภาษาเปลี่ยนเวทนาสัญญาก็เปลี่ยนทีนี้อารมณ์ล่ะอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปด้วยนะเช่นรูปปารมส์สีเขียวสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดาสีแดงก็สีก็อย่างผู้การใส่เสื้อลายนี่เนื่องจากมนานสิกานะมนานสิการเอาสีไหนนะครับนี้ก็ว่าไปตามนั้นไปเนี่ยนะ มันทุกสีเนี่ยก็ถือว่าแต่ละสีก็เท่ากับแต่ละภาษะแล้วแต่กระพริบตาหนึ่งครั้งแล้วแต่ละครั้งที่กระพริบตาเอกนะลืมตาครั้งเดียวนี้ก็มานิสิการในต่างหลายสีในขณะที่กระพริบตาคนละกระพริบตาก็ถือว่าคนละภาษาคนละภาษาไปตามนั้นไปอีกเนี่ยนะทีนี้ถ้ามองหน้าถ้ามานิสิกาตั้งแต่นหน้าผากตจดค้งเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปตามนั้นแหละมั้นภาษาเนี้ไม่ได้มีความ คงทนอะไรเลยแล้วก็ยังที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวปกตูปะนิ่สัปัจจัยใช่ไหมแสงมากแสงน้อยเนี่ยมีผลต่อการเห็นหมดเลยนั่นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญของภาษะแล้วตัววิญญาณนะ่ะวิญญาณที่ที่เป็นสมุทฐานแห่งภาษะเนี่ยนะที่เป็นประธานของภาษะวิญญาณมีเท่าไหร่เนี่ยนะจิตมีตั้งแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยี่บเอ็ดวงเลยนะว่าจิตดวงไหนละครั้นี้ มันเยอะแยะไปหมดเลยฉันผัสสะไม่มีความคงทนเวทนาก็ต้องเปลี่ยนสัญญาก็เปลี่ยนสังขารก็เปลี่ยนนะแล้วตัววิญญาณน่ะตัววิญญาณเนี่ยนะเนื่องด้วยทวารอย่างหนึ่งเนื่องด้วยอารมณ์อย่างหนึ่งเนื่องด้วยอุปนิสัยอย่างหนึ่งเนื่องด้วยเวทนาอย่างหนึ่งเวทนานี่มีเท่าไหร่ร้ยย่อๆนะมีสามเมื่อเวทนามีสานะทุกๆเวทนาก็เท่ากับเปลี่ยนทุกๆวิญญาณไป สัญญาล่ะรูปสัญญาสัทธาสัญญาทุกๆสัญญาก็เปลี่ยนเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนวิญญาณแล้วสังขารคือเจตสิกห้าสิบเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ไปปรุงไปเปลี่ยนแปลงวิญญาณทั้งหมดเลยเนยนะ่นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอันเพราะภาษาเกิดเนี่ยอขอไปเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดเนี่ยนะที่เหลืออื่นๆก็เหมือนกันหมดเอ่อ ปกตินี้พอเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาสัญญาล่ะเป็นปัจจัยแก่อะไรสัญญานะชัดๆเลยคือตัณหาม า, านะทิฏฐินะัเรียกว่าปะปัจรรนจะทำใช่ไพวกเนี้ยปะปนจะทำทั้งหลายมีสัญญาเป็นต้นเหตุแล้วสังขารน่ เจตนาเป็นปัจจัยกับอะไรตัวเขาตรงๆก็คือกรรมกรรมก็จะมีวิบากต่อไปอ น, นีก็พวกนี้สร้างขัน5้าอันใหม่ขึ้นอันนี้เป็นความเกิดขึ้นของของขัน5้าใช่หเกิดขึ้นของขันห้าการพิจารณานี้พิจารณานในแง่ปฏิจจสมุปบาทก็คูณด้วยอะไรอีกทวาร6คูณต่อด้วย สามอีกคือการสามเนี่ยแม้อดีตขันห้าก็เกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้ใช่ไหยแม้อนาคตต่อไปขันห้าก็เกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้ปัจจุบันนี้ขันห้าก็เกิดด้วยปัจจัยอยู่อย่างนี้ก็มองเห็นเหตุกับผลนะชั้นแรกก่อนไม่ได้มีใครอยู่ในนี้เลยใช่ไหยไม่มี สิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมใช่แม้อดีตก็เกิดจากปัจจัยแม้อนาคตก็เกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้ก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงเนีย่ยนะอันี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเนี่ยนะอันนี้จังสังขตังก็ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เ น, นะอาศัยกันเกิดขึ้นใช่ไหมนะแล้วก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแล้วก็แปรไปแ ป, ปรนี้โดยสัพท์เป็นภาษาคมัมแนแปรนี้เกินเลยบางทีเขาเอกแปรกับ นะศัพท์ว่าแปรเนี่ยนะอันนี้จังสังขตังปฏิจจธรรมขยะวยะวิปรินามะแล้วก็นี่โรธะตัวนี้นะคลายกับแปรเนี่ยศัพท์ว่าแปรเนี่ยโดยที่แปลเป็นภาษาเขมรนะถ้าแปรนะแปรแปลว่าพลิกอะไรตัวนามรูปเนี่ยนะตัวนามรูปก็คือเนี่ยวัตถุอารมณ์ และสัมปยุตธรรมเรียกว่านามรูปก็คือมีแต่เป็นภาษาอาหารไมนะถ้าเฉพาะตัวเลยนะถ้าเป็นรูปประขันเพราะอาหารถ้าเวทนาสัญญา ส, สังขารมาจากภาษา ถาวิญญาณมาจากนามรูปนามรูปนี้มันคลุมจั ก, กรวาลหมดเนี่ยนะตัววิญญาณเนี่ยตัวศัพ TE เองตัวมันเองเป็นวิญญาณอาหารอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะมันเป็นปัจจัยแก่นามรูปในขณะเดียวกันมันก็เกิดจากนามรูปมันเป็นปัจจัยแก่นามรูปแล้วมันก็เกิดจากนามรูปเนี่ยนะ เนี่ยเมื่อการตามไข้ครวญถึงความไม่มีแก่นสารเหล่านี้น ะ, ะเขามีวิธีไข้ครวนที่เจริญอันนี้จะสัญญาแบบแบบกลุ่มที่หนึ่งอันนี้นี่อย่างที่กล่าวตรงนี้เรียกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะเพื่ออธิบายให้รู้จัว่าไม่เที่ยเพนะือื่อเพื่อ่อเเ่เพอ่่เ่เอ่อเพื่ออ่่เ่เ่อ่อ ขันทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะแม้อนาคตก็ที่เกิดจากปัจจัยมันก็อยู่ในรูปแบบเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงภายในก็ไม่เที่ยงภายนอกก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะไอขันถึงจะหยาบขนาดไหนก็ไม่เที่ยงละเอียดประณีตขนาดไหนก็ไม่เที่ยงเลวละเอียด ใกล้ไกลทั้งหมดก็รู้แต่ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอ่านะการไ้ครวนแบบนี้แล้วก็ไปต่อด้วย ร, รูปศัตกะกับอารูปศัตกะกับอ่นะรูปกับอารูปศัตกันนะอันนี้ก็คือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้กลุ่มที่หนึ่งเีย น, นะ อันนี้ชุดนี้ไม่ประสงค์ที่กำลังจะพูดนี้ไม่ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ที่จะแสดงต่อไปนี้แต่ว่าให้รู้ว่าอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่ง